เขอีกต่อไปพอกันทีสำหรับความรักอันคมขืนไร้ประโยชน์พอกันทีสำหรับความรักอันโหดรด้ายทารุณ ถึงกรุงราชเกือหรอกพ่อทำไมล่ะลูกพ่ออ่านหนังสือของลุงก็จะรู้เองว่าเพราะเหตุใดลูกขอตัวเข้าห้องก่อนล ะ, ะเดี๋ยวลูกเออไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นนะ มาป่วนเปลี่ยนอยู่ในกรุงภารณาณสีแล้วนะเนี่ยในไม่ช้าอาจจะได้พบกับลูกของเราแล้วหลังจากนั้นไม่อยากคิดเลยขอภาวนาจะให้พระภิกษุรูปที่ว่านั้นน่ะเป็นพระเรวตตะลูกอาจจะจำผิดไปก็ได้ หนาลูกเหมือนกับไม่พอใจอะไรสักอย่างบอกพ่อได้ไหมลูกมีอะไรไม่มีอะไรหรอกพ่อลูกเพียงแต่เหนื่อยมาเท่านั้นพ่ออา่านหนังสือของลุงแล้วใช่ไหมก็เพราะอ่านแล้วนี่แหละพ่อถึงต้องเข้ามาหาลูกถึงในห้องนอนบอกพ่อสิรัตตาปานีลูกแน่ใจจริงๆหรอ ว่าพระภิกษุรูปนั้นเป็นพระเรวัตตของลูกอย่าพูดถึงเรวตตอีกเลยพ่อท่านเลิกพูดถึงคำสัทีทำไมล่ะลูกลูกไม่อยากได้ยินยิ่งทาให้พ่องงใหญ่ลูกไม่ดีใจหรอกเหรอดีใจเรื่องอะไรหรืจ๊ะก็ที่พระเรวัตตเข้ามาอยู่ในกรุงพารณาสีแล้วนะสิในไม่ช้าอาจจะได้พบกัน ไม่มีวันไม่มีวันเราจะไม่มีวันได้พบกันอีกเป็นอันขาดหมายความวา่าลูกจะไม่พบเขาอีกต่อไปแล้วใช่ไหมใช่จะพอ่ออะไรทำให้ลูกเปลี่ยนใจเพราะก่อนหน้านี้ลูกกระตือร้อร้นอยากพบเขาแต่ตอนนี้ลูกไม่อยากพบไม่อะไรเหรอลองเล่าให้พ่อฟังสิไม่มีอะไรหรอก นอกจากลูกเห็นว่ารักของลูกเป็นรักที่ไร้ประโยชน์ไร้ความหมายเป็นการหลงรักเข้าข้างเดียวด้วยอำนาจโมหะคืนรักต่อไปก็เสียแรงเสียเวลาลูกเวตัดสินห์จเล่นเขาจ้ะเท่านี้เหรอเท่านี้ละ่ะพ่อว่าต้องมีมากกว่านี้มีอะไรเล่าให้พ่อฟังให้หมดเถอะอย่าปิดบังพ่อไว้เลยไม่มีอะไรอีกแล้ว ขอสักทีเถอะพ่ออย่าได้ถามอะไรเกี่ยวกับลูกและเกี่ยวกับข้าอีกเลยฉันจะพักผ่อนจิตใจสักครู่ก่อนถ้าอย่างนั้น พ่อก็ไม่รบ ก, กวน ล, ละจะออกไปเดี๋ยวนี้พักผ่อนให้สบายเธอนะลูกพอไปละ เรื่องของรูปให้แม่ฟาหมดแล้วดีแล้วลูกเอ้ลืมเขา้าซะได้ก็ดีเขาไม่เหมาะสมกับลูกเลยไม่ว่าจะเป็นฐานะชาตระกูลหรือวัยิ่งฝั่นั้นเขายังโหดร้ายต่อลูกอีกนานา น, านับประการแม่อย่าตำหนิเขาเลยขอสักทีเถอะก็ลูกไม่ชอบเขาแล้วไม่ใช่เหรอชอบหรือไม่ชอบลูกก็ไม่อยากฟังไม่ว่าจะด้านดีหรือด้านเสีย มีลาวดีพยายามจะลืมเขาอย่าเอาชื่อเขาขึ้นมาเตือนความจำของลูอีกเลยตกลงจ้ะต่อไปนี้แม่จะไม่พูดอีกแล้วแม่ไปก่อนนะ ลอรออยู่หน้าประตูอย่างนั้นข้าพรเจ้ากลัวว่าจะเป็นการรบกวนนายท่านไม่รบกวนอะไรหรอกเข้ามานั่งคุยกันเถอะพอทราบว่านายท่านกลับมาข้าพรเจ้าก็ดีใจมากรีบมาหาเลยทันทีนอกจากจะมาหาด้วยความคิดถึงแล้วข้าพรเจ้าก็ยังมีข่าวดีจะมาเรียนให้ในายท่านทราบด้วยข่าวดีอะไรเหรอมันที่มีเมื่อวานนี้ ทข้าพเจ้ากําลังใส่บาตรที่หน้าประตูใหญ่มีพระภิกษุรูปหนึ่งมารับบิณฑบาต ท, ท่านบอกว่าท่านมาจากเมืองราชฤกษ์และท่านรู้จักพระเลวตะของนายท่านด้วยอ๋อนี่เราคงเพียงสอบถามพระถามเจ้าเขาแล้วละสิหาไม่ได้นายท่านข้าพเจ้าไม่ได้ถามท่านเป็นภิกษุที่ประหลาดมากปลาดอย่างไรท่านรับบิณฑบาตเสร็จแล้วยังไม่ยอมไป ยังยินถามอะไรต่างๆอยู่อีกท่านถามอะไรบ้างเป็นพระภิกษุไม่น่าจะมาสนใจเรื่องราวของคารวาสเลยอะอยังไม่ได้บอกเลยท่านถามเรื่องอะไรท่านถามว่าใครเป็นเจ้าของคารวาสมีบุตรธิดาชื่ออะไรเวลานี้ไปไหนแล้วเธอก็บอกความจริงให้ท่านทราบหมดใช่ไหมใช่ข้าพเจ้าจะพูดเท็จได้ยังไงล่ะในเมื่อท่านเป็นพระภิกษุท่านถามอะไร ข้าพเจ้าก็ต้องบอกตามความจริงเมื่อทราบความจริงแล้วท่านแสดงกิริยาอาการยังไงบ้างท่านแสดงอาการว่าพอใจมากแล้วยังไงแล้วท่านก็จากไปก่อนจากท่านยังบอกด้วยว่าเวลานี้พระเลวะตะได้เดินทางมาถึงกรุงพราราสีแล้วเข้าไปเช่าเชื่อว่านายท่านจะได้พบคนรักนายม่ชาข้าพเจ้าดีใจจึงรีบมาเรียนให้ท่านทราบนายท่านไม่ดีใจหรอกเหรอ เสียใจมากกว่านายท่านเมื่อกี้ข้าพรเจ้าฟังผิดไปหรือเปล่านายท่านบอกว่าดีใจใช่ไหมถ้าเป็นอย่างก่อนเราคณพูดอย่างนี้แต่ว่าเวลานี้เราเสียใจทั้งไม่และนายท่านจะเพิ่งซักถามอะไรเลยเหมือนที่นี่เธเป็นคนดีมากพูดคําสัต์จริงมาตลอดเวลา แต่ต่อไปนี้เธอจะต้องหัดพูดคำเท็จซะบ้างให้ข้าพเจ้าพูดคำเท็จถูกแล้วฉันจะให้เธอทำอะไรสักอย่างหนึ่งเธอจะทำไหมด้วยความยินดีทีเดียวนายท่านม้จะให้พูดเท็จเธอก็ยอมถ้าเพื่อนายท่านข้าพเจ้ายอมทั้งนั้นดีมากมันที่นี่ต่อไปนี้ถ้าพระภิกษุรูปนั้นมารับบิณธบาตอีกและถามว่าที่ยาเศรษฐีอยู่หรือไม่เธอจึงตอบไปว่าไม่อยู่ถ้าท่านถามว่าไปไหน ตอบว่าอย่างม่กลับจกมือราชครื้จำได้ไหมข้าพระเจ้าจำได้และจะปฏิบัติตามที่นายท่านต้องการทุกอย่างขอบใจมากมันที่นี้แต่ว่าไม่ต้องซักถามอะไรทั้งสิ้น จำทนายกองเกวียนสั่มาได้หรือเปล่าเข้าไปจอนจำได้ดีไม่ได้ลืมเลือนแม้แต่น้อยท่านนายกองเกวียนบอกว่าเมื่อกลับมาส่งลูกสาวท่านเศรษฐีกรุงพราณีแล้วให้ออกตาวแวนตามหาพระเรวัตตะให้พบพบแล้วทำยังไงต่อไปอีกเมื่อพบพระเรวัตตะแล้วให้รีบแจ้งข่าวการกลับบ้านของรัตตปานีให้พระเรวัตตะทราบแล้วพยายามหาทางให้พระเรวัตตะพบกับรัตตปานีให้ได้ เท่าที่นกองเพี้ยนทำเช่นนี้เพื่อประสองค์อะไรนายกองเพี้ยนเถียวว่าถ้า พ, า ร, พระเรวตะ์ได้พบกละตะปาณีและได้ฟังคําบิงบอยกระตะปาณีแล้วในที่สุดก็จะใจอ่ อ, อนต่อจากนั้นแผนกับจัดเสียนน้ําของมิกรนุนก็จะสำเร็จได้โดยง่ายถ้าอย่างนั้นพวกเราออกค้นหาพระเรวตัตตกันเถอะ แม่น้ำคงคาเองเขาไปเจ้าเที่ยวตามหาท่านเกือบทุกแห่งภายในกรุงพระณศีท่านตามหาอาตมาทําไมอืมท่านจําข้าไปเจ้าไม่ได้เลยข้าไปเจ้าเป็นคนที่อยู่ในกองเกลียนอ๋อจําได้แนละ้วข้าไปเจ้าตามหาท่านเพื่อจะบอกว่าเวลานี้รัตปานีได้กลับมาถึงบ้านแล้วเธอรอ่ำรองถึงท่านตลอดเวลาขอท่านเด็โปรดสงสารทิ้งใจหญิงสาวซึ่งรักและบูชาท่านสุดชีวิตจิตใจด้วยนะ คนผู้นี้คงเป็นลูกน้องของนายกองเกวียนกำลังดำเนินการตามแผนอันชั่วร้ายไม่อย่างนั้นคงไม่ออกประเวณตามหาเพื่อบอกข่าวนี้ให้รู้และชักชวนให้ไปพบลีลาวดีดีใจแนละดีใจเป็นล้นพ้นเมื่อรู้ว่าลีลาวดีกลับมาแต่ว่าท่านไม่ดีใจเลยเหรอที่จะได้พบกับรัตน์ปานี้อาตมาดีใจ และขอบใจอุบาสกมากที่อุสานำข่าวนี้มาบอกให้ทราบอาตมาจะไปพบเธอเมื่อมีโอกาสรัตตปานีรู้ข่าวนี้เธอจะต้องดีใจมากทีเดียข้าพเจ้ารบกวนท่านสมณะมามากแะเห็นจะต้องขอนาสียทีเชื่อว่าท่านจะต้องไปพบรัตตปานีข้าขอลาก่อน่ะถ้าไปพบรีลาวดีวดก็เท่ากับว่า เป็นการช่วยแผนการของพวกนิกรณเป็นการช่วยทำลายหมู่คณะและพระพุทธศาสนาแต่ถ้าไม่ไปพบลีลาวดีก็จะเป็นการทารุณโหดร้ายต่อเธอยิ่งขึ้นเพราะขณะนี้ได้สำนึกแล้วว่าได้ก่อความทอกทำให้แก่ลีลาวดีมากเกินไปตัดสินใจแน่แล้วจะไปพบกับลีลาวดีขอโทษเธอ สำหรับความผิดพลาดที่ได้กระทำมาทั้งในชาติก่อนและชาตินี้ ดูหน้าตาน้องหญิงเจ้ามองผิดปกติท่านสมณะท่านสังเกตถูของท่านสมณะเข้าไปเจ้าไม่ค่อยสบายใจมีอะไรอยู่ในใจน้องหญิงเป็นเรื่องส่วนตัวอย่าให้เข้าไปเจ้าบอกเลยถ้าอย่างนั้นอาตมาจะไม่ซัดถามละ่ะแต่รัตปานีทิดาเมตียะเศรษฐีนั้นอาตมาทราบมาว่ากลับประจั์กรุงราชาคือแล้วใช่ไหมเออเ อ, อ ยังไม่กลับท่านพูดเจริญแต่มีคนเชื่อถือได้บอกอาตมาว่าเธอกลับมาถึงบ้านแล้วเธอยังไม่กลับน้องหญิงยืนยันได้ไหมว่าเธอพูดความจริงกับอาตมาเ อ, อ่อข้าพระเจ้ายืนยันได้ถ้าอย่างนั้นอาตมาไปนะ มโนดังมีอะไรเหรออยากจะมาถามว่าท่านยังไม่ได้ไปพบกับบิลาวดีหรอกเหรออัตมาไปแล้วแต่ไม่พบนิลาวดียังไม่กลับจากกรุงราชคฤห์ใครบอกท่านนางทาสีที่ใส่บาทอยู่หน้าประตูใหญ่เป็นคนบอกอัตมาโอ้หกเนื้ออุปาศกว่าใครแต่อนนางท้าสีนั่นแหละสิไป็น ไ, ได้ยังไงก็ในเมื่อบิลาวดีกลับมาแล้วอเอาละ ข้าพจาเจ้าจะไปซื้อดูให้แน่ใจทีมันเรื่ออะไรถึงต้องโกหกกันด้วยข้าพเจ้าไปะ ได้ความว่าอย่างไงบ้างสุนักกับีลาวดีเปลี่ยนใจซะแล้วเปลี่ยนใจอะไรเปลี่ยนใจไม่ยอมพบพระเอววตะล้วสิเห็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงซะแล้วจากการขอร้องวิงวอนพระเอววตะให้ไปพบลีลาวดีคราวนี้ต้องไปขอร้องวิงวอนลีลาวดีให้ไปพบรอเวตะเราจะไปพบลีลาวดีเดี๋ยวนี้ล่ะ ข้าไปจ่ได้พบพระเลวะตาแล้วและรู้จักที่พระอันแน่นอนของท่านแล้วด้วยหยุดเถิดโนิ ก, กะอย่ามาเอ่ยชื่อพระเลวะตาให้ฉันได้ยินะฉันไม่อยากได้ยินคํานี้ถ้าท่านจะพูดเรื่องเลวะตากับฉันฉันจะไม่พูดกับท่านเชิญท่านไปได้ขออนุญาตพูดสักสองสามประโยคเพื่อแจ้ข่าให้ท่านทราบแล้วก็จะจากไปคือเวลานี้ในพระเลวะตะกาลังตัวแล้ ว, ว่า ได้กระทําการอันโหดร้ายทารุนต่อจิตใจของท่านมาตลอดเวลาเขาอยากพบท่านเพื่อขอโทษเป็นครั้งสุดท้ายท่านจะไม่ยอมให้คนที่สํานึกผิดสาะภาพความผิดชัวร์ไม่ได้กบไปบอกเขาถอ่ว่าฉันจะไม่มีวันให้อภัยเขาและจะไม่ขอพบหน้าก็อีก อาตมาลีลาวดีเปลี่ยนใจซะแล้วเธอบอกว่าจะไม่ขอพบท่านอีกลีลาวดีทำถูกแล้วอาตมาได้กระทำทารุณกรรมแก่เธอมาตั้งแต่ชาติก่อนบัดนี้ถึงเวลากรรมจะตามสนองอาตมาบ้างเอาเถอะอาตมาจะพยายามไปพบเธอเองขอให้ท่านคอยฟังข่าวก็แล้วกัน จะมีโอกาสได้พบเธอหรือไม่ก็ไม่ทราบลีลาวดีเป็นคนใจเด็ดเดี่ยวมากถึงคราวรักก็รักจริงถึงคราวเกลียดก็เกลียดจริงเธอคงเกลียดอาตมาซะแล้วบางทีเธอคงเกลียดอาตมาตลอดชาตินี้ ผาย้อมลองไปมากคงเป็นทุกข์หนักที่ไม่ได้พบนายท่านสมน้็มหน้าเป็นทุกข์ซะบ้างก็ดีจะได้เห็นว่ารสชาติของทุกที่ฉันเคยได้รับมานั้นเป็นยังไงนี่ยังดีที่เขายัางไม่ถึงตายส่วนฉันเคยทุกข์เพราะการกระทําของเขาถึงตายมาแล้วถ้านานท่านไม่ยอมไม่ท่านพบอีกต่อไปท่านอาจจะถึงตายก็ได้นะตายซะก็ดีเหมือนกันจะได้รู้รสของความตายซะบ้าง ใจเด็ดขาดแล้วว่าจะไปจากกรุงพาราณสีข้าจะไปไหนไปกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระบรมาสาดาบางทีพระธรรมของพระองค์อาจจะช่วยชุบจิตใจของอาตมาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้เวลานี้จิตใจของอาตมาจมเพียบอยู่ในโลกีวิสัยและความทุกข์ ดุดนาวาที่จวนจะอับฟางในท้องทะเลหลวงแต่ก่อนไปอาตมาอยากพบหน้านายหญิงของเธอเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อกล่าวคำอำลาลีลาวดีอยู่ที่นี่ลีลาวดีหลวงพี่ขอโทษเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะจากไปสู่กรุงสาวัตถีหลวงพี่เสียใจ สำหรับความทารุณโหดร้ายทั้งหมดที่หลวงพี่ปฏิบัติต่อเธอเพราะความหลงผิดทั้งในชาติก่อนและชาตินี้ลีนาวดีไม่มีลีลาวดีตายไปนานละวฉันไม่ใช่ลีลาวดีฉันคือรัตตปานีฉันม่รู้จักท่านจะมาขอโทษขอโพ้เสียเวลาเลยลีลาวดียังไม่หายกโกรธหลวงพี่ เอาเอหลวงพี่จะไม่ว่าอะไรเธอได้พบหน้าเธอได้ขอโทษเธอหลวงพี่ก็พอใจแล้วเธอไม่ต้องให้อภัยหลวงพี่ก็ได้หลวงพี่ขอลาก่อน หลังด้แก้แค้นคา ร, รีตาแล้วแทนที่จะดีใจกับเสียใจเพรความรู้สึกชั่วแล่นทแท้ๆได้ทารุนน้ําใจคนรักวันนี้ความโกรธแค้นทิงชังหายไปหมดแล้วเหลือแต่ความสงสารและอะไรมันหบีบคั้นจนไม่สามารถที่ทนอยู่ต่อไปได้ในที่สุดก็ต้องขออนุญาตพ่อเดินทางไปหาแม่เก่าที่กรุงสาวถี นราจะได้พบพระฤาษีวัตรตาที่นั่น พวกสัตว์ที่เกิดมาในวัฏจักรจำต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักสิ้นสุดได้ประสบทุกอันเกิดจากการทัดพรากจากคนรักของรักทุกอันเกิดจากการประสบกับคนเกลียดของเกลียดทุกอันเกิดจากปัจถนาสิ่งใด ไม่ได้สมประสงค์ทบทั้งสามอันเป็นที่เกิดที่ตายของสัตว์เปรียบเสมือโรงฆ่าสัตว์อันมหืมาที่เต็มไปด้วยสัตว์ที่จะต้องถูกประหารชีวิตระ ง, งมไม่ได้เสียงร่าไห้ปริเวทนาการของสัตว์ผู้ประสบทุกตัญหา เปรียบเหมือนความหิวทำให้ตัดเพลิดเพลินและเล็มยาคือวัตถุกรามและกิเลสกรมกินไปถึงประตูคาสัตาตาความเกิดเปรียบเสมือนพนักงานจับสัตผูกมัดเข้าในโรง้าสัตรชราความแก่ เปรียบเสมือนเจ้าพรักงานผู้จูงจัดไปสู่ที่ข่ามรดะความตายเปรียบเสมือนเพชจฆาดผู้ใช้จักรปลาอันคมตัดคอตัดขดา ป, า ย, ปายทางัยงเดวิดตตาท่านยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ข้าวเจ้าถึงแล้วดีลาว่ดีเธอจริงๆเหรอเนี่ยหรือว่าอาตมาฝันไปปุถุชนย่อมอยู่ในความฝันทุกเมื่อพระอาริยะเจ้าเท่านั้นที่ตื่นแล้วอย่างเต็มที่และอยู่ในโลกแห่งความจริง น่าฝันเถอะ เ, อเรวตะจงมาอยู่ในโลกเห็นความจริงกับข้าพเจ้าหมายความว่าเธอได้กลายเป็นพระอรหันต์ขีนาศพไปแล้วเหรอสุพรมจารีเรวตตาเมื่อเราทั้งสองดึงลอยคออยู่ในทะเลคือวตัตตาแม้ความตายก็ไม่สามารถจะทำลายความรักความผูกพันที่ข้าพเจ้ามีต่อท่านได้ แต่บัดนี้เมื่อขึ้นมายืนบนฝั่งแล้วความรักก็ไม่มีความชังก็หายไปยังเหลือแต่ความกรุณาสงสารท่านผู้ยังลอยคออยู่ในทะเลทุกมาเถอะสุพรมจารีอย่าประมาอยู่แลวรีบเล่นกระทำความเพียนรีบว่ายกระแสน้ำอันเชี่ยวแห่งวัตตะขึ้นมาสู่ฝั่งอันไพยบูน ที่ข้าวเจ้าและอริยสาวกทั้งหลายยือนอยู่นี้เธออาตมาดีใจท่านถึงแล้วซึ่งความสุขอันไพยบุญส่วนอาตมาก็จะพยายามต่อไปเพื่อให้ไปถึงฝั่งแห่งวัฏฏะอาตมาจะไม่ข อ, อกล่าวคำอำลาท่านเพราะพระอรหัตทผลข อ, ของท่าน จะทำให้เราต้องแยกทางกันเดินตลอดการแต่อาัตามาก็พอใจที่ได้เห็นท่านถึงความสุขอันเป็นโลกุตระแล้ว ในที่สุดคนทั้งสองก็จากกันณจุดนั้นแม้โดยทางกายทั้งสองจะมีโอกาสพบปะกันกันครั้งคราวโดยวิธีอันถูกต้องตามร้บธรรมนิยมแต่โดยทางจิตใจแล้วทั้งสองไม่มีวันจะได้พบกันอีกเลยเป็นการแยกทางกันอย่างเด็ดขาดเพราะลีลาวดีเป็นพระอรหันต์พูดถึงแล้วซึ่งฝั่งแห่งอตมตะธรรมสวงพระเรวัต ยั ง, ยงคงล <คง S 1> อยค<ง>ออยู่ในทะเลแห่งวัดจักต่อไปไ